จะเห็นว่าการแก้ปัญหาวิธีนี้จะใช้สิ่งอื่นมากรบเกลือนสิ่งที่ตัวเองด้อยถ้าใครมาเย้าจุดด้อยก็อาจมีปฏิกิริยาในทางลบขึ้นมาทันทีหรือบางรายอาจปลอบใจโดยยกสิ่งที่ตัวเองทำได้อีกได้อีกอันมากรบเกลือนแต่ถ้าขาดปัญญาเข้าใจสภาพของความแท้จริงในจุดที่ตัวเองด้อย เผลอๆบางทีก็อาจเป็นโรคประสาทได้ในอนาคตเช่นยังไงบ้างเช่นอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ใครนึกออกบ้างอ้าวเป็นโรคประสาทได้นะถ้าสมมติว่าเห็นเป็นปมด้อยตัวเองมากๆเข้ามากๆเข้ามากๆเข้ามันคิดมากๆเข้ามากๆเข้าเป็นโรคประสาทได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีมันมีปมด้อยเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วมันก็กลัวเนี่ยแหละกลัวคนจะมาแซวกลัวคนจะมาว่ามันก็คี้อยู่แต่เรื่องเนี้ยสังเกตไหมบางทีตัวเราเองเนี่ยเราเราลองนึกเกี่ยตัวเราเองบางทีเรามีเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกเป็นปมด้อยของเราเพราะงักะก้กลัวใครจะมาสกิดกลัวใครจะมากิดเพราะงพวกนี้บางทีราแวงระแวงเรื่องนี้นะเวลาพูดอะไรกับใครบางทีเขาไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้หรอกนะแต่บังเอิญพูดแล้วคําพูดมันอาจจะแวบแวบมาในทางนี้เนี่ยเอาแล้วเรา ชักราแวงแล้วไอ้นี่สงสัยมาว่าเรามาด่าเราหรือว่ามาแกล้งเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันระแวงมันมันชักประสาทหนักๆเข้าก็เวลาใครพูดอะไรมาก็คิดแต่ว่าเขาจะมาพูดเรื่องเนี้ยคิดแต่ว่าเขาจะมาพูดเรื่องเนี้ทั้งๆ ท, ที่ความเป็นจริงเนี่ยเขาเจตนาอื่นเขาพูดเรื่องอื่นแต่มันระแวงแล้วมันมันเลยประสาดแล้วคราวนี้บางทีใครจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยก็คอยนึกถึงเรื่องนี้จนกระทั่งหนักเข้าหนักเข้าอยู่ในพบตัวเองเ คนอื่นก็พูดเรื่องอื่นกันอยู่แท้ในคนนี้มันก็คิดเรื่องเรื่องเนี้ยจม อ, อยู่กับเรื่องเนี้ยจนกระทั่งประสาทจริงๆะนะแต่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรแห ม, ม, ม <c oughs> เอาของจริงเลยเหรอผิดบังเรื่องเรีย น, เ อ, เ, ยนเอ อ, อวราบางทีใครมาพูดเรื่องเรียนไม่ได้นะแล<ต>้วพอพูดเรื่องเรเรื่องเรียนปัน๊ บ, บโอโ้โหเอาละเอาละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าอะไรอ๋อไม่กล้าไม่กล้าเจอหน้าเพื่อนเลยสอบตกหรือไงหรือว่าเรียนไม่เก่งอ๋อตอนแรกตอนแรกสอบได้สัตวแพทย์ไปเรียนได้หนึ่งปีพอเรียนไปเอาได้ฝึกผาศพบมังอะไรกลัวจะบาป จะไปเอ็นใหมจ่จะไปเอ็นเข้าวิศาวาและเอ็นไม่ได้เหรอเอ็นไม่ได้กวดวิโอ้สามปีเลยเหรอขวดเอ็นกวดเอ็นสามปีเนี่ยนะจะเข้าวิศาวาให้ได้ปรากฏว่าสามปีนี้ก็เข้าไม่ได้ทันทีนึงตอนนี้เลยเบลอเลยน้อยใจเสียใจ อายเพื่อนเลยประสานไม่ดีเลยนั่นแหละมันมันมีผลจริงจริงคือที่มันเป็นถึงขั้นนี้เพราะว่ามันมันยึดมั่นถือมั่นมากจะต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ไดมันมันปรับเปลี่ยนจิตไม่ได้ mm. เข้าใจไหมไม่ไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามอันนี้ยกตัวอย่างแค่แค่เรื่องที่ยอมยกตัวอย่างมานะแต่ความเป็นจริงแล้วบางทีเนี่ยบางครั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย เอาจำได้ไหมหนังสือพิมพ์ที่เคยลงอ่ะเขายึดว่าเขาต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งก็ต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งพราะปรากฏว่าพอสอบได้แค่ที่สองเท่านั้นเองสอบได้ที่สองโอ้โหค่าตัวตายประสาทจริงๆงแหละแค่สอบได้ที่สองอ่ะก็ยังเก่งนะที่จริงจะมามันเก่งอยู่แล้วนั่นน่ะแต่ว่าไอ้ยึดยึดยึดยึดว่าต้องที่หนึ่งต้องที่หนึ่งห้ามที่อื่นเนี่ยมันก็กลัวมันก็อายมันก็ เสียหน้าวพันแค่ที่สองนี่ก็ทนทนรับสภาพของตัวเองไม่ได้แล้วแค่นี้หรืออาจจะกลัวเดี๋ยวคนเข้าว่าโอ้ไม่เก่งจริงสอบไปที่สองนี่กลัวแล้วลพัะจะกลัวโอ้โหหนักแม่นี่มันยิ่งกว่าภาษาจริงนเนี่มันฆ่าตัวตายเลยฮะเอออาจจะคุยกับใครไว้ก็ได้ไใช่ไหม หรือถึงแม้ไม่คุยกับใครไว้เนี่ยแต่เขาก็ยึดเอาไว้ว่าเขาต้องได้ที่หนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พวกที่จะประสาทพวกนี้นะมันมีอยู่สองลักษณะใหญ่ๆคือพวกนึงคือพวกที่เก่งๆมากๆแล้วก็ยึดว่าว่าฉันต้องเยี่ยมฉันต้องแน่เ พ, พราะพอพลาดพังอะไรนิดหน่อยนี่ไม่ได้เลยประสาทกินอ่าส่วนอีกพวกนึงคือพวกที่ได้มากๆเข้าใจไหมคือพวกที่อ่อนแอมากๆพวกนี้ก็ เยืะอยู่อย่างนั้นนะะว่าฉันนี่ อ, อ, นอ่อนแอฉันนี่ไม่แข็งแรงฉันนี่ทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกทําอย่างง่อนไม่ได้หรอกไอพวกนี้ก็ประสาทเหมือนกันเนะ <c oughs> นี่ยแต่มันคนละมุ ม, ม น, นะม <c oughs> ันก็เยืะอยู่อย่างนั้นโอ้โหบางทีเราพยายามไปพูดใช่ไหมหน้าอย่างนั้นหนะ้าลองฝึกไปสิเดี๋ยวมันต้องได้ไมันต้องอะไรมันไม่มีกําลังใจไม่มีอะไรเลยมันขี้อยู่แต่ว่าโอ้ยฉันไม่ไหวหรอกฉันทำไม่ได้หรอกฉันทําไม่ได้บ้า มันคิดอยู่อย่างนั้นแหละมันยืดอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมปรับจิตไม่ยอมเปลี่ยนจิตเลยเนี่ยแหละที่มันจะถึงการประสานเพราะว่ามันไม่ยอมปรับจิตไม่ยอมเปลี่ยนจิตเพราะถ้าใครเนี่ยหัดปรับจิตบ้างหัดเปลี่ยนจิตบ้างคนนั้นจะไม่ประสานเท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่นะแสดงว่ามันยังมีอยู่บ้างอืใช่แต่มันแค่เบาลงบ้างเพราะว่ามันยังไม่เก่งก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่เก่งก็ต้องมีตัวยืดอยู่บ้างแหละ อันนี้ปัญหาที่นาวิตกก็คือเมื่อเจ้าตัวขาดสิ่งนี้ก็หาสิ่งอื่นมาชดเชยโดยที่ตัวเองก็อาจไม่ออกว่าทำไมถึงต้องไปทำสิ่งโน้นสิ่งนั้นจิตที่เป็นธาตุรู้อันยิ่งจึงถูกกลบเกื่อนให้พร่ามัวไปไม่รู้เหตุที่แท้จริงของตัวเองไม่รู้เหตุจูงใจที่เป็นตัวจูงนําเรียกว่าจับจิตตัวเองไม่เป็น เมื่ออ่านจิตตัวเองไม่เป็นจะพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมได้อย่างไรอันนี้เขาก็พูดมาถูกแล้วนะคือเขาพูดในลักษณะของคนที่จับจิตตัวเองไม่ได้เมื่อหรืออาตมาจะพูดใหม่ว่าคนที่ไม่ฝึกไม่ฝึกจับจิตตัวเองไม่ใช่ว่าไม่ได้นะ จริงๆทุกคนมันต้องจับจิตตัวเองได้ต้องรู้อารมณ์รู้ความรู้สึกรู้สภาวะของจิตใจตัวเองทุกคนแหละแต่ที่มันเนี่ยจับไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ฝึกจับส่วนใหญ่มันเช่าจะไปจับคนอื่นสิ่งอื่นนอกตัวเองแต่ไม่ค่อยจับตัวเองอย่างเช่นพอใครโกรธใครเกลียดใครรัดใครชังอะไรเนี่ยเที่ยวรู้ไปหมดแหละ บางคนเก่งด้วยนะรู้ไปทั่วเลยว่าใครนี่เป็นยังไงอะไรงไงอนเนี้ยนะทำหน้าอย่างเงี้ยรู้แล้ววันนี้เนะี่ยคิดอะไรอยู่นะแต่ไม่ค่อยรู้ว่าเราคิดอะไรรู้แต่คนอื่นเขาคิดอะไรนะพวกนีนะ้อาการหนัก้วนะแล้วว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันมันมันจเจริญยากเพราะว่าไม่ค่อยได้รู้จิตตัวเองแต่รู้คนอื่นจ้าเลย แล้วอาตมาบอกให้ความเป็นจริงก็ไม่ได้รู้คนอื่นจริงหรอกคนที่นะตัวเองยังจับไม่ได้ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองไม่มีทางหรอกจะไปรู้คนอื่นได้จริงเดาทั้งเพันเดาเขาทั้งเพแต่บางท Multi ีมันเดาถูกบ้างบางทีมันเดาผิดบ้าง M มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ M มันเดาถูกบ้างมันเดาผิดบ้างแต่ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนเราต้องรู้จักตัวเองนะต้องจับจิตตัวเอง ต้องหัดมองตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วต้องฝึกจริงๆฝึกสังเกตดูสิตัวเราเองเป็นยังไงอย่างเช่นตอนที่เรารู้สึกไม่ชอบใจไม่พอใจเอาจับให้ทันล้เออตอนนี้ไม่ชอบใจไม่พอใจโอ้มันชักร้อนละร้อนละร้อนจากร้อนจากท้องขึ้นมาหน้าอกละโอ้โหมันร้อนขึ้นมาที่ที่ที่หน้าแล้วนะหน้าแดงแนะตอนนี้ มันร้อนขึ้นมาถึงหัวแล้วนะโอ้โหหัวร้อนหมดแล้วนะตอนนี้มันรู้มันจับตามจิตไปเลยว่ามันเป็นยังไงอันนี้นี่พูดพูดออกมาเป็นสภาพร่างกายให้ฟังแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีรูปร่างหรอกนะไอ้จิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างให้คุณจับหรอกนะที่บอกว่าจับจิตเนี่ยมันไม่มีรูปร่างตัวตนให้คุณจับนะเพราะมันต้องอาศัยความรู้สึกเนี่ยที่คุณจะต้องรู้เองว่าไอ้ที่มันร้อนร้อนแลร้อนอี่มันโกรธแล้วนะ นะหรือว่ามันเกิดเป็นรูปประจิตขึ้นมาว่าอออืืตบหน้าไปสี่ห้าชาตแล้วนะตบต บ, ตบไอ้คนนั้นนะ่ะนะแต่ตบในจิตเราเนี่ยนะจิตเรานี่ตบแพะแพะแพ้แพ ะ, แพะมันไม่แพ้นะเพี้ยเพียนะไปสี่ห้าชาตแล้วในในในจิตเราเนะี่ยมันจับทันหรือเปล่าบางคนเนี่ยหืมแค่นี่นะจับไม่ทันเลยว่าในจิตเนี่ยหือหยิบ ป, ปืนขึ้นมายิงเขาตูมตูมตูมตู ม, ตมจับไม่ทันลนะ แต่โกรธซึ่งจริงๆเนี่ยมันต้องออกมาจากจิตเข้าใจไหมเพราะนั้นบางคนเนี่ยที่โกรธแล้วบอกไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอไปคว้ามีดไปคว้าปืนมาฆ่าเขาตายไปแล้วเนี่ยบอกไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็เพราะมันไม่เคยฝึกจับวันพออารมณมันขึ้นมาเนี่ยที่เขาบอกมันหน้ามืดมันหน้ามืดเนี่ยก็คือพวกที่ไม่ฝึกจับอารมณ์ของจิตวันพอพออารมณ์โทสะหรือว่า อะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นมาที่เป็นกิเลสเนี่ยมันขึ้นมาครอบงาคนนั้นก็โดนกิเลสเนี่ยมันมันสั่งหรือว่าทําไปตามอํานาจกิเลสนั้นซึ่งจริงๆมันก็เป็นจิตสั่งมันแหละมันไม่มีใครมาสั่งก็ตัวเราเนี่ยสั่งตัวเราเองแต่ไม่เคยจับเนี่ยว่าโอ้โหตอนนี้กิเลสมาแล้วตอนนี้กิเลสมันครอบงําแล้วตอนนี้กิเลสมันสั่งงานเราแล้วตอนนี้กิเลสมันบังคับเราให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่เคยไปสังเกต ไม่เคยไปจับให้ให้ได้ไล่ให้ทันรวมไปทั้งคร้อนี้พอรู้สภาพอย่างนี้แล้วก็ยังไม่เคยที่จะฝืนมันไม่เคยที่จะบังคับกิเลสบงมันซะบ้างแทนที่จะให้กิเลสมาบังคับจิตเราเงือไม่ฝึกอีกนี่เป็นขั้นต่อมาแล้วนะหลังจากจับจิตได้แล้วนะพอจับจิตจับอารมณ์จับความรู้สึกแล้วก็ไม่มาฝึกต่ออีกขั้นหนึ่งคือฝึกสู้กับมันฝึกฝืน ฝืนใจกิเลสมันฝึกฝึกบังคับกิเลสมันเพราะฉั้นถ้าเปน็นนักปฏิบัติธรรมจะต้องฝึกอันนี้ด้วยกิเลสมันถึงจะลดลงหรือว่าเราถึงจะห้ามการกิเลสไปได้เพราะถ้าใครไม่ฝึกอย่างนี้ต่อให้คนนั้นจับจิตได้ว่าอ๋อตอนนี้โกรธตอนนี้รักตอนนี้ชังแต่ก็ยังคงทําไปตามอ น, นาจกิเลสเพราะฉะนั้นคนนี้ยังแก้ไขไม่ได้แต่ดีขึ้นมาขั้นหนึ่งแที่ที่จับจับอารมณ์ได้ ดีกวคนที่ไปฆ่าใครตายยังไม่รู้เลยว่าโอ้โหนี่ไปฆ่าเขาแล้วนะไ อ, ไอ้นั่นมันแย่ยิ่งกว่ามันหลงเลอะล้ออย่างนั้นแต่อันนี้ยังเออยังนับว่ามีสติถ้าจับจิตได้ยังนับว่ามีสติแต่ยังไม่เก่งที่จะห้ามกั้นจิตตัวเองได้ จิ ต, จตแพทย์สามารถจะบอกขั้นตอนของคนเป็นโรคจิตได้ว่ามีขั้นตอนอย่างนี้มีเหตุมาอย่างนี้แล้วก็ทําให้จิตมันมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นอ่าแล้วไงเป็นขั้นตอนเปรียบเทียบกับคนมาเรียนทางจิตวิญญาณเอาอ่านจิตแล้วอ รู้ทังทฤษฎีแล้วว่าเป็นอย่างนี้อย่างี้รู้สมูทไทยรู้นิโรดด้วยรู้รู้ตัวดับด้วยด้วยว่าจะดับยังไงอะไรไหมอ่าใช่ นักปฏิบัติธรรมเนี่ยน ะ, อ, ะอ่านศึกษาจากตัวเองแล้วก็ถ้าเรารู้กิเลสตัวเราเองเนี่ยรับรองว่ารู้กิเลสคนอื่นแน่นอนเพราะว่ากิเลสมันเหมือนกันว่าเปรียบเทียบกับพวกจิตแพทย์เขาเรียนรู้คนอื่นแต่เขาไม่ได้เรียนรู้ตัวเองอ พอโทก็มันยังไม่จริงไงเราอาตมาก็บอกไปแล้วเพรา ะ, ะจิตแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคจิตด้วยก็ <c oughs> คุณไปดูนี่นี่ผลจริงที่มันออกมาแล้ว <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> นี่นี่นี่ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าจากหลักฐานจากอะไรต่างๆข่าวที่ออกมาส่วนใหญ่เพราะว่าเขาเรียนรู้แต่คนอื่น <c oughs> เพราะในขณะที่คนเนี่ยนะถ้าไม่หัดจับจิตตัวเองแล้วก็ไม่หัดแก้ไขจิตตัวเองพวกเนี้ ยิ่งไปทาเก่งที่จะไปลูกคนอื่นไปแก้คนอื่นเขานะส่วนใหญ่ในที่สุดเนี่ยมันมันรับกิเลสคนอื่นเข้ามาเยอะๆแยะเลยโอ้โหมันในที่สุดกิเลสตัวเองก็มีอีกตั้งเยอะตายที่กิเลสตัวเองยังแก้ไม่ได้เลยแล้วไปรับของคนอื่นเข้ามาอีกตายในที่สุดหมอโรคจิตนั่นแหละจะเป็นโรคจิตมากกว่าคนไข้อีกอีกหลายเท่าเลยตายจริงๆอืม เพราะนั้นไม่มีหรอกผู้เจ้าเนี่ยท่านถึงตัดไว้เลยว่านักปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งถ้าเป็นเบื้องต้นมาหัปฏิบัติใหม่ๆท่านตัดรอบเลยนะคนอื่นนะ่ะท่านบอกว่าดูตัวเองมองตนมองตนถึงบอกว่าเริ่มที่ตัวเองนี่ก่อนเพราะนั้นคนที่ยังไม่เก่งไม่เข้มแข็งเนี่ยมันจะไปอ้าขาพะว้าปีกไปช่วยคนอื่นได้ไงมันมันต้องช่วยตัวเองเนี่ยให้รอดให้ได้ก่อนพอเข้มแข็งขึ้นมาระดับหนึ่ง อย่างน้อยๆนีน่ต้องระดับหนึ่งนะแล้วก็ถึงจะเออช่วยคนอื่นหรือแม้ว่ายังไม่เข้มแข็งมากแต่รู้แนวทางแล้วก็พยายามปฏิบัติอยู่คนที่พอจะช่วยตัวเองได้เข้าใจมหมยังไม่ถึงกับเก่งมากแต่รู้ทางหนีทีไรถ้าจะโดนกิเลสเล่นงานปาั๊บมีวิธีการป้องกันตัวเองอยู่แม้ว่ายังไม่เก่งแต่เอาตัวรอดได้เข้าใจม เาะคนนี้ก็ยังพอที่จะช่วยคนอื่นที่อยู่ในฐานะต่ํากว่าตนหรือว่าฐานะใกล้เคียงตนเอออย่างนี้ยังพอจะช่วยเขาได้บ้าง เ, ออเพราะว่าจริงๆศาสนาพุทธเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็เอาทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะแต่ว่ายังไงก็ตามท่านก็เน้นว่าแม้ประโยชน์ผู้อื่นมากมายยังไงก็ตามก็ต้องไม่ผ่านประโยชน์ตน เพราะยังคงเน้นมาที่ตัวเราเองเพราะเรื่องนี้สำคัญอัจมาถึงบอกว่าอัจมาพูดกับพวกโคฟไลน์เนี่ยพูดบ่อยมากเลยว่าพวกโคฟไลน์เนี่ยแก้ปัญหาให้คนอื่นเขาทางโทรศัพท์เนี่ยนะเขามีเรื่องทุกอะไรมาเลยบอกอะระวังนะนะต้องรู้จักวางบ้างรู้จักปล่อยบ้างแล้วอย่าเอามาฟังฟังฟังแล้วอย่านึกว่ามันต่อให้ไม่อยากจําด้วย ต่อให้ไม่อยากจํามันก็จําได้นะเรื่องที่มันเข้ามาเข้ามาต่อให้ไม่ต้องอยู่ศูนย์ทบลายเลยคุณบางทีคุณไปรับรู้เรื่องอะไรของชาวบ้านชาวช่องที่ไหนมายิ่งไม่ใช่ชาวบ้านชาวช่องที่ไหนนะยิ่งเป็นเคือญาติยิ่งเอาใกล้เข้ามาคราวนี้ยิ่งพ่อแม่พี่น้องนะ ท, ที่สนิทใกล้เคียงยิ่งอยู่บ้านเดียวกันเอาแล้วปัญหาต่างๆเข้ามาคุณวางไม่ลงแนละ้วคราวนี้ านะยิ่งเกี่ยวเรื่องกับตัวเราหนักเข้าไปอีกยิ่งวางไม่ลงใหญ่เลยบางคนเนี่ยนะไ อ, ไอเจ้าตัวที่มันไปทําเรื่องมาี่นะมันหลับสบายเลยเพราะว่ามั น, มนไม่รับผิดชอบมันไม่อะไรเลยแต่นี่คนดีนมันต่างกันนะบางทีคนดีนมีความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบมีความรู้สึกว่าต้องเอาภาระมีความรู้สึกว่ามันควรจะแก้ไขปัญหาให้ดีกว่า น, นี้บางทีนอนไม่หลับเลย พอรู้มาแล้วเนี่ยคิดอยู่จะแก้ยังไงจะช่วยยังไงดีว่สวยไอ้เจ้าตัวเนี่ยนะไม่เอาอ่าวเลยนะมันหลับสบายหลับปุ๋ยไปเลยเพราะว่ามันไม่คิดอะไรจริงๆคือจริงๆแล้วมันแย่นะไอ้พวกนั้นนะ่ะมันแย่แต่ไอ้เราเองเนี่ยนะดีแต่ว่าบอกล้วเราเรารู้อ่ะมันรู้เสร็จแล้วเนี่ย มันก็ต้องเอาเ อ, าเอามาคิดมาปรุงเพราะฉะนั้นถึงในที่สุดเนี่ยพุทธเจ้าถึงมีบอกว่ามีพรหมวิหารเนี่ยมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาแล้วในที่สุดต้องต้องมีอุเบกขาอยู่ด้วยเมือ่อไตายเพราะว่าคนดีเนี่ยโดยสัญชาติญาณแล้วมักจะต้องช่วยเหลือคนอื่นเกื้อกูลคนอื่นอันนี้มันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งของคนดีเพราะฉะนั้นคนดีจะ จะต้องมีเมตตามีกรุณาคนอื่นใช่ไหม<_ <EN> _>เพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาถึงได้บอกว่าพวกที่บางทีเนี่ยรับเรื่องร้องทุกข์พวกที่อะไรอ่ะฟังเรื่องฟังราวบางทีบางคนเนี่ยโอ้ทุกข์มาเสร็จแล้วก็มาพูดให้เพื่อนฟังเลยนะ<_ <EN> _>เพื่อนก็ฟังฟังฟั ง, ฟ, งฟังเสร็จไ อ, ไอเจ้านั่นระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หายแล้วนะสบายส่วนไอ้นี่รับมาเสร็จเหมือนกับ มามาเทใส่กระโหลกคนนี้นะคนนี้โอ้โหหนักอึ้องแทนถ้าคนนี้นะปรับไม่เป็นไอ้นั่นไม่เป็นตายเพราะนั้นมันมันมันจะต้องรู้ตัวนี้ด้วยถ้าไม่รู้ตัวนี้แย่ยจริงๆเพราะเนี่ยอธิมาถึงบอกว่าเตือนพวกที่เขาทํางานโฮปได้เนี่ยเสมอเสมอเลยพผมอันนี้ต้องให้รู้นะเราช่วยไปแค่ไหนช่วยไปแค่นั้นเสร็จแล้วก็ลังหัดปล่อยหัดวางลงไปบ้าง นะมันต้องรู้จักตัดจบลงไปบ้างแต่ช่วยเรามีความสามารถช่วยได้แค่ไหนก็ช่วยไปแล้วก็ตัดจบช่วยไปแล้วก็ตัดจบอาตมายังเคยพูดบ่อยเลยบอกว่าเนี่ยอ่ามาเป็นสมภารเนี่ยเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามามีเยอะแยะแต่อาตมาก็ถือว่าเออเราสามารถช่วยได้แค่ไหนช่วยไปช่วยไปแล้วก็ตัดจบแค่ไหนก็แค่นั้นไม่อย่างนั้นละตายเครียดตายเลย เพราะว่าอะไรช่วยไปไม่ดีก็โดนว่าอีกนะช่วยไปไม่ดีก็โดนว่านนะหรือต่อให้ช่วยไปดีก็เหอะช่วยไปดนะีมันก็ต้องมีคนชอบใจมั่งไม่ชอบใจบั่งอีกจนได้ะรแหละเพราะันมันบางทีทั้งขึ้นทั้งร่องเลยเราะนั้นะแต่เราก็ต้องตัดจบตรงที่เรียกว่าเออหนึ่งก็คือเราทําไว้ด้วยความจริงใจนะสองคือเราทําไปด้วย อ, อ, อาการที่เราคิดว่าเราเก่งที่สุดเราดีที่สุด ตามขีดความสามารถเราแค่นี้แล้วเราก็ทําไปนะอย่างที่สามก็คือผลมันจะออกมายังไงเราก็แล้วแต่ผลที่มันจะออกมาคือไม่ไม่ไปอะไรอะ่ะไม่ไปตั้งความหวังอะไรกับผลนั้นถ้าคือไม่ตั้งความหวังอะไรกับผลนั้นเดี๋ยวเจ็บอีกเพราะมันไม่ออกมาตามที่เราหวังมันต้องตัดลอกพออย่างนี้แล้วก็ตัดลอบแล้วคราวเนี้ ทำงานแล้วมันถึงจะเออถึงเรื่องจะเข้ามาเยอะแยะมากมายเราก็จะไม่ไปทุบไปอะไรมันมากนะนะมันจะมันจะคลายใจได้พราะว่าอันนี้เป็นวิธีการเหมือนกันเหมือนกันนะที่ตะกี้คุณถามเนี่ยพวกจิตแพทย์เนี่ยเขาก็ต้องทําอย่างนี้นะอย่างที่อาจามาบอกเนี่ยถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้นะแย่เลยแต่นี้มันมันเ อ, อ่อถ้าเขาเป็นจิตแพทย์ที่เขาเอาแต่คิดจะช่วยคนอื่นแล้วเขาไม่รู้จัก ดูจิตตัวเองนะไม่รู้จักหัดปรับจิตตัวเองตายรับรองว่าเดี๋ยวประสาทกินแต่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นจิตแพทย์โลกๆที่เขาไม่มีธรรมะเอาไว้ร้างใจเขานะบางทีเขาใช้วิธีกลบเกลื่อนเมื่อเวลาที่เขารู้สึกเครียดกับงานมากๆนะรู้สึกว่าฟังเรื่องทุกเรื่องร้อนของใครมากสมอยู่ในหัวเขาเยอะเนี่ยแทนที่เขาจะใช้วิธี ตัดใจหรือว่าใช้วิธีตัดรอบของของจิตตัวเองเนี่ยนะเขาไม่ใช้วิธีอย่างนี้เขากลับไปใช้อย่างอื่นมากรบเกลื่อนอย่างเช่นไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงไปเล่นกรอบไปเล่นไพ่หรือว่าอะไรกลบเกลือนอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยไม่ค่อยรอดหม อ, อแต่ว่ามันมันมันก็เบาขึ้นนะมันก็เบาขึ้นแต่ว่า ม, มันไม่ได้แก้ปัญหาถูกจุดไงไอ้เรื่องต่างๆที่มันซับซ้อนอยู่ในหัวนั้นยังคาอยู่ในหัว พวันไหนที่เขาแบบว่ามันเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไอ้ไอเรื่องที่เอามากบเกลื่อนความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยถ้ามันมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มากพอละมันไม่แรงพอกับไอ้ที่สมมาไว้ในหัวแล้วเมื่อ น, นั้นน่ะไม่สามารถดับได้แล้วไม่สามารถจะแก้ไอ้ที่เขาสมสมมาไว้แล้วหมอคนนั้นก็จะแย่และคนนี้เพราะไอ้พิธีการแบบโลกโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเขามากักจะใช้อย่างอื่นมากลบ มาถึงบอกเนี่ยดูหนังฟังเพลงเที่ยวเตหรือว่าอะไรต่างๆเป็นวิธีกลบเกลือนแบบโลกๆเท่านั้นมันไม่ได้เป็นการแก้ที่ลากเงาของจิตนะอันนี้เราจะต้องรู้ด้วยเพราะการปฏิเสธความแท้จริงจึงทำให้มนุษย์ดิ้นกันพร่านมีแต่ความเศร้าหมองตลอดเวลาเรามันจนเรามันโง่เรามันการศึกษาน้อยเรามันขี้เล เรามันพูดธรรมะไม่เก่งนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขายกขึ้นมาสำหรับคนที่ไม่กล้ายอมรับความจริงเป็นประเภทกลัวความจริงกลายเป็นปมด้อยมันพวกนี้ก็เลย ม, าามักจะมีมีอ่าสภาพจิตมักคิดไอ้เรื่องปมด้อยตัวเองเนี่ยเอามาย้ำตัวเองอยู่เรื่อยยิ่งย้ำมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งยึดมากเท่านั้นฮอนจำเอาไว้อย่าไปย้ามันหัดปปล่อยมันออกไปบ้าง อย่าม า, มาเดี๋ยวเออก็เอาอีกแล้วไม่ใช่ใครเราอะพูดเองย้ำจนกระทั่งในที่สุดนะมันเหมือนกับสะกดจิตตัวเองจนในที่สุดเนี่ยจริงๆคนเรามันเปลี่ยนแปลงได้สัจจะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเราสามารถปรับปรุงสามารถพัฒนาจิตปัญญาพัฒนาอารมณ์ความรู้สึกของเราเองเนี่ยได้แต่ปรากฏว่าคนนี้เนี่ย เอาแต่ย้ำในปมด้อยของตัวเองย้ำอยู่เลยย้ำอยู่ตลอดเวลาเพราะยิ่งย้ำก็ยิ่งยึดยิ่งย้ำก็ยิ่งยึดยิ่งย้ำก็ยิ่งยึดยิ่งยึดมันก็เลยยิ่งปล่อยไม่ออกเลยยิ่งวางไม่ลงเลยเพราะในที่สุดคนนี้ก็เลยกลัวเลยเพราะใครอย่ามาแตะนะปมด้อยนี้ใครอย่ามาแตะแตะแล้วมีเรื่องเมื่อนั้นทันทีนะนั่นแหละ ไม่ยอมรับรู้ว่าการไม่มีสิ่งนั้นมันเสียหายอย่างไรมันชั่วกันั้นหรือความดีความชั่วต่างหากที่ควรเป็นสิ่งที่ควรกระทําควรแก้ไขมิใช่ไปแก้ในแง่ของวัตถุหรือรูปธรรมจนเกินจนเกินไปนะดังนั้นเมื่อจนก็ยอมรับความธรรมดาของความจนไม่วันไหวถือเป็นปมได้เห็นหมจนก็จนสิ ไม่ได้หมายความว่าความจนหรือคนจนแล้วจะไม่มีความสุขคนรวยเยอะแยะไปเขารวยแต่เขาก็ทุกข์อ่าเพราะฉะนั้นไม่ได้วัดกันที่การมีทรัพย์สินสิ่งคารน้อยแล้วก็หมายถึงคนจนก่อนหน้านี้อจะมาพูดไปแล้วนะยกยกตัวอย่างเราอธิบายกันไปแล้วว่าไม่เกี่ยวเลยคนเราจะมีความสุขไม่ได้เกี่ยวเพราะว่ามีเงินทองน้อยไม่ใช่ไม่จริงก็ขอยืนยัน นะยิ่งโอ้โหเราเห็นชัดๆอยู่แล้วนะยิ่งเป็นถึงขั้นมาเป็นอนาคาริกเป็นนักบวชไม่ต้องมีเงินทองเลยแล้วใช้เข้าของอะไรก็ยิ่งน้อยลงไปอีกแต่ยืนยันว่ามีความสุขยิ่งกว่าคารวาส น, นะวันนี้ถ้าถ้ารู้สัจจ์แล้วก็พยายามพิจารณามีวิปัสสนานะรู้ให้เข้าถึงความจน นะรู้ความรวยเป็นยังไงก็จะทำให้คนนั้นเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าเอ้เราจนแล้วมันมันจะเป็นปมด้อยตรงไหนไม่เห็นเป็นปมด้อยตรงไหนเลยไอ้ความจน <c oughs> นะเมื่องโง่ก็โง่ไปสิ <c oughs> สมองเกิดมามันก็อย่างนี้แหละเออคนโง่ไม่ใช่คนเลวนะฟังให้ดีนะคนโง่ไม่ใช่คนเลวนะ แต่คนฉลาดเนี่ยถ้าเร็วแล้วก็เร็วเร็วอะไรอะเร็วต่ําช้าเร็วอะไรเนี่ยหนักข้อยิ่งกว่าทั้งเยอะส่วนคนโง่นี่โง่ก็จริงแต่เขาซื่อสัตย์สมมตินะเขาซื่อสัตย์เขาทํางานทําการเป็นสัมมาชีพเป็นสุจริตอ้าวคนดีนะคนโง่แต่คนดีนะกับไอฉลาดแล้ ว, ลวเร็วนี่โหทุจริตนะขี้โกงคดโกง โอ้งั้นเรวกว่ากันนะนั่นแหละจะเรียกว่าโจรบัณฑิตจะเรียกว่าโจรมหาบัณฑิตหรือว่าจะเรียกมหาโจรมหาบัณฑิตอะไรก็แล้วแต่แหละอ้าววันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้